ไห้วางเบาๆค่ะสอนให้วางเบาๆมันก็เลยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าความรู้สึกโปร่งเนี่ยมันยังเป็นอยู่นะคะเป็นอยู่มากๆในช่วงเราไม่หับมันจะโปร่งมากๆเลยถ้าปรมาต่อมาเนี่ยมันก็จะเฉยๆลงนะคะแต่มันก็ยังความคล้ายคลึงกันเหนื่อยอยู่ข้างในหรือยังไงไม่ทราบแต่มันก็โปร่งเป็นขณะขณะอยู่ในเวลาช่วงกลางวันที่เราขยับเนื้อขยับตัวทํางานรู้สึกอะไรอยู่นะคะ แต่บางทีน hmm. ึกจะพูดอะไรเนี่ย yeah. ม mm ันหยุดไปเฉยเฉยมันนึกไม่ออกนะคะระว่าช่างมันใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใค่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่ใช่ใไม่ใช่ใค่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใด่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ็มใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใ่ใ่ใ่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใมันช่ใ อมันบอกไม่ถูกอะค่ะใช่ว่ามันแต่เรื่องเปลี่ยนนะมันก็ไม่ใช่เปลี่ยนนะคะใช่มันจะล่องโล่องเบาเบาไม่รมันล่องโล่มาเบาเบาว่างๆเฉยๆอะไรนี่ค่ะทำอะไรมันก็เหมือนตัวเราไม่มันไม่มีตัวมีโจนมันมันอะไรมันอะไรอืมค่ะเหมือนตอนที่ผมเป็นตอนนั้นนะทั้งสองาทิตย์น่ะผมก็นอนไม่ได้ผมก็นั่งตอนอนปุ๊บก็ต้องลุกขึ้นมานั่งนอนไม่หลับพราะลุกขึ้นมานั่งนั่งสมาธิก็แล้ว เรื่องที่ตอนนั้นพอดีจังหวัดที่แบแฟนก็ไม่สบายผมก็ปแยกไปนอนคนละห้องผมก็ได้เดินจงกรมบ้างอะไรทั้งคืนน่ะผมไม่ได้นอนส อ, องาอาทิตย์น่ะขณะเ อ, อิร์ดเช้ามา<อ>มก็ไม่เพียเหมือนกัน<อ>มันก็ตัวเหมือนโ ต, นตเบาๆ่ทําอะไรก็เดินก็ตัวเหมือนตโตลอยๆเบาๆมันมันก็ไม่มีความคิดอะไรนะครับไม่ไม่นะครับมันรู้สึกว่คิดมันห่างๆออกไปแล้วก็รู้สึกว่า ในความคิดมันไม่ได้มีเราเป็นเจ้าของนะคไม่มีไม่มีไม่มีครับหรือึงปัจจันมาถึงมาถึงตอนนี้ก็ไม่ไม่มีเราเป็นเจ้าของไม่มีเราไม่มีเขาขาดขาดขาดเลยไม่มีเราจริงจริงครับก็รู้สึกสบายสบายอยู่แต่ขันห้าทางานปกติเลยนะคะความรู้คำต้องตาหูจมูกยิ้มใจใจอะไรเป็นยังไงนี่รู้หมด จะพูดเล่นกับเพื่อนจะอะไรอย่างเงี้มันก็รู้หมดนะคะรู้รู้รู้แต่ไม่มีใครเข้าไปเข้าไปยืดอะไรเลยจรงรู้นะได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับยังผัดหน้ายังยังแต่งตัวผัดหน้าทาครีมอะไรก็ยังว่เราอย่างก็ยังอยู่เลยครับได้หมดได้หมดแต่มันไม่มีใครเข้าไปยืดเหมืนเมืก่อนไม่มีตัวเราไม่มีโจรสอนอ่านั่นแหละครับ แต่จ่วนตุ้งวันนี้ผมปีกว่าแล้วเนี่ย <สะ S 1> ปีกับ2 2> สอ<ะ>งเดือนแล้วเนี่ยก็ก็ยังเป็นหเหมือนเดิมครับไม่มีมันจะคิดจะพอมันขึ้นมาปุ๊บมันลงปั๊บข<ม>ึ้นปุ๊บลงปั๊บมันเอ้ยทำไมมันไม่อยู่เหมือนก่อนเนามันมันมันเป็นอย่างนี้มามาเนี่ยปีปีกว่าแล้วผมก็สังเกตตัวเองมาตลอดนะครับไม่ใช่ไม่ตังเกตบางทีมันไปมองเห็น คนไปนั่งแบบเท่งเนี่ยเป็นกระดูกเลยนะครับเคยระวังอะค่ะเนื้อมากน้อน้อยเพราว่าเคยพิจาราใจมาก่อนนะคะแต่หลวงพ่อได้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่ในกายอะไรเงี้ยมันก็เลยวันหนึ่งไปเห็นคนตักบาที่ว่าทําสถิตก็ไปมองเข้านะคะเนื้อมากเนื้อน้อยกระดูกละเงี้ยแล้วจิตมันโชว์ออกมาเองเลยนะคะว่าอ คิดว่าไปเองทั้งนั้นเออเฮ้ยดี๋ยวคิดว่าไปเองทั้งนั้นก็เลยกราบเรียนพอหลวงพ่อก็เลยให้ดูสวาคิดมาดูความคิดจริง่จะเจนความคิดโอ้โหมันพูดมาจางไหนมากมายบอกท่านเรียนท่านแม่ลำคาลำคาถ้าเกิดว่าไปลำคาทำไมมันเกิดแล้มันกระจับเข้าใจเข้าใจตรงนี้อ๋อจริงนะเห็นก็ได้เข้าใจทีนี้พอรู้เรื่องจัก คิตใช่เพราะเรื่องจิตเกิดจากทีนี้ท่านก็สอนผู้รู้กับผู้ถูกรู้เข้าใจเข้าใจเพราะเราก็แมตตาสอนเป็นขั้นเป็นตอนแบบสองสองวันทรศัพท์ับพี่พี่แล้าก็ตัวตัวตัวหลวงพ่อด้วยค่ะลัวทัาด้วยว่าท่านดุว่าท่านดุเลยข่ันทั้ง ก็ ย, ย, ยังยังยังฉายความโง่งตัวเองไปอวดรู้กับท่านอีกเรื่องตัวผู้รู้พรผู้รู้ตัวผู้รู้รู้เขารู้จริงรู้แต่ตอนนั้นน่ะผู้รู้ผมเนี่ยโอ้มีอะไรเขาเขาบอกหมดมันขึ้นมาหมดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยลูกขับรถมาปัดจับลูกขับรถมายังไม่รู้ถึงไหนนะผมก็สั่งให้แฟ น, นเน่ะออกไปเปิดจูรถไปไปเติดจู่บ้านให้ลูกมาลูกมาแล้วแฟนไปเปิดยังมองไปเอ้ายังไม่เห็นลูกเลยเอ๊ พอทักพันจะเดินเข้ามาอารูขับรถมาเจอะหน้าบ้านพ่นกแ ม, แม่แม่แม่รู้ยังไงว่าหนูจะมาแม่เขาบอกว่าหนูโทรหาป๋าเหรอป๋าใช้ให้แม่มามาเปิดประตูเนี่ยนั่นแหละตัวผู้รู้เนี่ยแหะเขาบอกค่ตอนนั้นอ่ะผมยังตอนน้นผมยังหลงหลงผู้รู้อยู่เลยจนจ น, นได้มาพบได้มาพบหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกเอ้ยยอมยมหลงที่ตัวผูรู้เนี่ยผูรู้ไม่ใช่เรานะเราไม่ได้รู้นะเขารู้เขาเองนะผูรู้จิงจริงก็ต้อง รู้อิสระนั่นแหละคำนั้นแหละครับทําให้ผมผมไม่ผมบอกโอ้โหคํานี้เหรอมันทําไมเราไม่ได้ยินพักไหนพูดเลยพูดรู้ต้องรู้อิสระทําไมหลวงพ่อพูดว่ารู้อิสระมันเข้ามาในใจ้็ยังไม่ได้คิดอะไรนะจนย้าย้ําท่านมาย้ำครั้งที่สองเนี่ยก่อนตอนที่ท่านจะกลับนั่นแหละเทศเ็จที่ทำงานที่จีโอจีเพราะท่านทรับเพราะท่านก็ยังไขกระจกมาบอมโยมโยมไปดูดีๆนะโยมมาไก่แล้วนะผู้รู้ ไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่ผู้รู้ผูนะผู้รู้จริงก็ต้องต้องรู้อิสระใช่และผมเลยหาหาอยู่ยี่สิบวันจะเจอผู้รู้อคสระถ้าไม่ได้หลวงพ่อก็ติดหลงผู้รู้เป็มีนะการโาที่ด้วยที่การนั้นก็เป็นไหม่กันแล้ว เดี๋ยวเเดี๋ยวมันก็กลับเดี๋ยวมันก็กลับเข้าคอกาว่าปกตินเนี่ยท่านจะไม่เดือดกันที่ว่ามันจะใส่เข้าไปบุกฝันสุกเหลืองแล้วอะค่ะมันจะสุกเหลืองแล้วแล้วก็มาเจออาจารย์จ่อยที่เคยเล่าปรักกันมาก่อนท่านเป็นคนแนะนำให้มาจากน้องสารสักนะคะอาจารย์จอยอาจารย์ประวิทย์มาท่านก็พูดมาคือสงสัยวันนั้นวันนั้นมีการ อ่าเขาเรียนโซลายกลุ่มพระอาจารย์มหาศรีก็ถามเป็นยังไงสภาว่าก็ต อ, อบว่ามันนิ่งมันว่าเห็นเกิดจากผ่านไปอะไรเงี้ยท่านก็ถามว่าติดว่างหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ติดนะเฉยเฉยแล้วก็ท่านก็แค่พยายามจะช่วยนะคะพยายามจะถามว่าเอ๊ะให้เราติดอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยก็รู้สึกถึงความแม่แรงของท่านแล้วก็มาเข้ากลาุ่มยาเนี่ยยันยัน อา จ, จารย์ก็ถามว่าเห็นนการศึกษิเป็นจจใจรักไม้บอกเห็นเอเข้าใจเห็นแต่มันเหมือนมีอะไรอ ย, อยู่นิดหน่อยที่มันทําใหเราอ ย, ย่งางหวาไม่ได้ก็ท่านจะไหว่อย่างไงโทรไปหาอาจารย์จ่อยเลยค่ะถามท่านว่าแบบทําไมโยมมันไม่วางจิตนะมันติดว่างเหรอเดีย๋ยวอาจารย์มหาตีว่านะคะปกติเนี่ยจะจะพูดเล่นคุยกับอาจารย์จ่อยประจํามาถาท่านก็บอกว่าก็มันไม่รู้ก็ นี่ก็จะแต่ขอร้องกับท่านเลยนะว่าก็ใช่หร้อสมันรู้โอ้โ แ, แ, แล้วแล้มันจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะฉันก็พูดาไีคุยว่ามันไม่มีทั้งกายทั้จงจิตโมอแต่พยายามเอาตัวเขาไปทําอยู่นั่นแหละโอ้ โ, อโอมันแบบมันถึงขั้นนะมันแคบขันเกินเนาะขอร้องว่าโอ้ยทำไมเราถึงโม่อย่างนี้ แล้วี่นี้ท่านพอหม่รู้มันมันจับไม่ได้แล้วนะคะตอนก็รู้สึกว่ามันอะไรมัตะทุกออกจับเลยค่ะตอนนั้นนะตอนนั้นพี่วิจิตอะไรครับพี่หวังหวังมันมันลอยไปีวานมัมามันแบบบอกไม่ถูกเลยมันมันไม่รู้อะไรแบบอะไรไม่ร้ว่ามันหอม เราผคอนกายมันผ่อนกายมันผ่อนกายมันเป็นธรรมชาติมันไงมันก็เลยพอพอเราแบบไม่ได้ยึดกายไม่ได้ยึดตัวพุกกว่านี้อย่างเดียวมากกว่าเราพุกเลย เวลามันมาตรงนี่ยครับขอบคุคมันมามาสมเหมาะพอดีครับมันมาเป็นผสเหมาะครับครับแต่แตพอพูนะโฆษณาของพี่ด้วยครับอืมนั่นแหละครับสูไปเรื่อยๆครับพี่ก็อย่าง้แหละครับครับครับดูคับพี่ครับหลวงพ่อว่าต่อเลยครับหลวงพ่ออมมันมันยังมันยังไม่พร้อมที่จะเป็นมันก็ยังไม่เป็นน่ะมันมันพร้อมเมื่อไหร่มันก็เป็นเม่นั้นแหละน่ะ มีอะไรมาสะกิดหน่อยมันก็เป็ น, นะ้ะทำมันเต็มนะทมัด ม, มันเต็มนะมเออเออกิดนิดเดียวก็กอเออไม่สกนิดเดียวมันก็ลวงเองนั่นแหละมันหลุดเองนะมักมันเต็มพอดีนั่นแหละเออครับอ่าแล้วเป็นไงจัจจชาตว่าให้ฟังหน่อยจัจาตน่ะขอเสียงหน่อยได้ยินไหมคะอะไรยินยยินไลยยินครับได้ยินครับได้ยินครับอืมก็มันก็ มันลืมตัวเออตัวที่เคยเป็นดั้งเดิมไปหมดแล้วค่ะหลวงพอ่อจนเอาเอาจอนมันเป็นตอนตอนที่มันเป็นตอนที่แอดจอนที่ตอนนั้นยังยังไม่ได้ทําตลอดเวลาใช่ไหมแต่ก่อนยังทำเป็นบางครั้งบางคราวมันมันไม่ได้ทำโจเนื่องใช่ไหมก่อน่ะที่หลวงพ่อบอกมาก็มาทำํำโจเนื่องทีหลังใช่ไหมล <c oughs> ่ะเ <c oughs> ออเออถูกค่ะมันต่อเ น, นื่องแล้วก็เอาจริงเอาจัง ม, มันก็เลยหลุดออกมาอืม <c oughs> ตอนตอนมันหลุดเนี่ยตอนก่อนมันจะหลุดก่อนมันจะหลุดแลแ้วจะจนถึงมันหลุดเนี่ยเป็นไงบ้างก่อนจะหลุดจนถึงหลุดเนี่ยก่อนจะหลุดมันก็รู้ผู้รู้เห็นผู้รู้อยู่เห็นความคิดเห็นอะไรทุกอย่างอะคะ่ะแต่มันยังมีเราอยู่นั้นอ่ ะ, อะแล้วก็มาเล่งเร่งความเพี่ยนหมายถึงเล่งประมาณสักสามสี่วั น, นะะอ่ะค่ะฟังธรรมะแล้วก็คือไม่สนใจอะไรคือฟังทํางานด้วยก็ใส่หูฟังไปเรือ่อยเย ก็ฟังหลวงตามหาบวยเงี้ยฟังฟังแล้วก็วางไว้ที่กลาง อ, อกอ่ะค่ะผ่านไว้ตรงนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆประมาณนี้ยค่ะเนี่ยตอนที่ทอยู่มันก็เออตอนที่ขึ้นมาช่วงนั้นมีงานอะไรที่วัดที่วัดเนี่ยแล้วทีนี้พอหลวงพ่อก็อ่าหลวงหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยไม่อีกสองสามวันหรืออะไรที่หลวงพ่อว่าว่าไปตอนนั้นอ่าอ่าจะสองสามวันก็จะเสร็จแล้วอะไรเนี่ยนะอ่าอ่าตออกทอด เรียนว่าประมาณสักเก้าสิบปอร์เซ็นต์ละอย่างนี้นะคะ่ ะ, ะให้หนูลงมาหนูก็มาเล่นความเพียรหนูสามสี่วันแล้วมันก็หลุดออกมาตอนหลุดออกมาหนูไม่รู้ว่ามันหลุดตอนไหนแต่มันจะมีภาพหลวงพ่ออยู่เดินออกกําลังกายอยู่ะะอ่ะค่ะอืมันก็ผุดนั่งพ่อมาสามสี่รอบแต่ก็ดูอย่างเดียวดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางไม่ได้ไปใส่ใจอะไรอะคะอ่ะคืออยู่ในดูเฉยๆอย่างเดียวอืมนหละค่ะ ออืจนกลางคืนเจ้าฟังธรรมะต่อมันก็ตรงนั้นอกมันก็แน่นมากหมายถึงว่ามันมันมันบอกไม่ถูกพลังมันอยู่ตรงนั้นนะคะแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจมันเนี้ยมันเหมือนจะทะลุออกมาจากกลางอกอคอะก็ไม่ได้ใส่ใจจนกลางวันก็ไปเดินจงกรมจนมันเซ่เหมือนกันนะคะเราก็นึกว่าเรามึนหัวก็เลยเกอะโต๊ะขาเข่อไม่มีมันลอยหนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูไม่มีเล้าไปแล้วคอ จนหลวงพ่อโทรมาแล้วถามจะส่งกันบ้านนะคะอืมก็เลยตอนนั้นเลยรู้เลยว่าเอ้ามันไม่มีเราอืมมันหลุดไปแล้วะค่ะคือพอฟังอะไรมันก็ออกมาหมดหมายถึงว่ามันไม่กระทบเข้าจิตอะค่ะออมันได้จะฟังแล้วก็ดับฟังแล้วก็ดับนี่อะค่ะอืมมันไม่มีเรานี่ว่าแต่ก่อนนี่มันมันคิดไปไหนมันจะมีเราใช่ไหมแต่ก่อนอะ อ่าก่อนที่มันจะเป็นเนี่ยอ่ใช่เพราะตอนตอนมันคิดแล้วแล้วคิดมันก็จะทุกข์กับที่เราจิตเราส่งออกไปด้วยเพราะมันมีเราอยู่ในความคิดเออาแต่ตอนเนี้ยมันก็ยังพอมันมีมันไม่มีเราแล้วหนูมันยังมีความคิดหนูก็ถามหลพ่อว่าหนูยังคิดอยู่หลวงพ่อถามหลวงพ่อก็บอกว่ามันยังไม่ตายก็ต้องมีความคิดเอิแล้วพ่อก็บอกว่าและความคิดนั้นมันทําให้เราทุกข์ไม่บอกมันไม่มีมันไม่มีความรู้สึกกับความคิดแต่มันก็เกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับ อืมมันไม่มีเรามันก็ไม่ทุกะมันไม่มีเรามันก็ไม่ทุกใช่มันไม่ไปเกาะอ่าอ่ามันไม่ไปเกาะก่อนเราเกาะน่นและเกาะไปว่าออกันคิดและฉันทุกตามเรื่องความคิดอ่าอ่าเนี่มันไม่มีที่เกาะแล้วความคิดมันไม่มีที่เกาะแล้วมันไม่มีเจ้าของใช่ไหละมันคิดมามันกัดใบของมันเองมันกัดเป็นธรรมชาติมันกัดเป็นธรรมชาติเราไม่ใส่ใจอ่าหมดก็ถามหลวงพ่อจริงว่าหนูไม่ได้ทันตลอดอ่าหลบอกว่าไม่ทันมันก็ทุกมันไม่ก็ไม่ทุก อมันทุกไหมมันก็ไม่ทุกก็ประมาณนี้ก็ต้องดูขณะปัจจุบันไปอืาอ่านั่นแหะมันก็มันกับเป็นธรรมชาติของมันนังยัอยู่แล้วความคิดน่ยแต่ก่อนแต่ก่อนที่มันมันมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราไปไปเข้าไปเป็นความคิดกับมันใช่ไหมเราไปเป็นความคิดกับมันทั้งที่มันก็เป็นความคิดธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแ่ะแต่ทีนี้เราไปยึดล่าเออความคิดอันนี้เป็นเราเราเป็นความคิดก็เลยมีตัวมีตนเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหะ อ่าทีนี้มันจะเห็นชัดมากเลยอ่าพอทีนี้มันคิดทั้งวันก็ไม่มีใครไปเป็นไปเป็นเจ้าของมันแล้วแสความคิดมันก็เป็นธรรมชาติของมันรู้รู้อันนั้นก็เป็นอ่ารู้อันนั้นก็เป็นธรรมชาติของมันเลยไม่มีเจ้าของรู้ก็ไม่มีเจ้าของความคิดก็ไม่มีเจ้าของทีนี้ก็เลยไม่มีใครไปทุกข์เพราะมันไม่มีเจ้าของใช่ไหมอ่าอ่ การรู้ชี้ๆดูเฉยๆเหมือนเป็นผู้ดูไปเลยอ่ะไม่ได้ไปุ่เขานี่มันก็เลยเป็นเป็นรู้เฉยๆโดยหลักธรรมชาติของมันมันก็รู้เฉยๆตามหลักธรรมชาติของมันมันเป็นองี้เนี่ยอ่าไม่อยากรู้มันมันจะรู้เองออมันก็รู้ธรรมชาติของมันอย่างนั้นน่ะนัรู้จริงเี่ที่เรารู้เฉยๆมาตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่เห็นเห็นกายเห็นจิตแยกจากกันเรารู้เฉยๆไปเรื่อยๆเนี่ยยจนมันไปถึงรู้เฉยๆโดยธรรมชาติโดยของมันเลยทีนี้ ใช่ไมนันหละมันก็เข้าไปถึงตัวรู้เฉยธรรมชาติของมันไงตัวที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งทั้งรู้อันนั้นก็ไม่มีเจ้าของทั้งความคิดก็ไม่มีเจ้าของอารมณ์ทั้งหลายอาการทั้งหลายผ่านมาก็ไม่มีเจ้าของมันก็เลยไม่มีใครไปทุกข์เพราะมันไม่มีเจ้าของไม่มีมีเรามีมีกูอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นอิสระจางอันจางเป็นอิสระต่อกันนะไม่กระทบกระเทือนกันใช่อหมอ่าอ ตอนที่มันหลุดออกมาใหม่ๆมันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะค่ะหลวงพ่อแต่มันเห็นบ่อยๆมันก็จะพัฒนาเองมันก็จะอ๋อเองอ๋อนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับใจเป็นการทำงานของขันไม่ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่หนูสามปีแล้วค่ะหลวงพ่อมันก็คนก็จะคนไม่ค่อยอ๋อความคิดมันมีแค่ที่สองอย่างเองคือ คิดดีคิดชั่วมีแค่กลางวันกลางคืนปัญญามันจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆปัญญามันก็ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนเราเดินทางแล้วมันก็ยังไม่ไม่ได้ชัดเจนมากแค่รู้ว่ามันไม่มีเราอตอนเราเราเดินทางเนี่ยเราไม่เราเดินทางเราไม่ได้ไม่ดูไม่ไม่ได้ดูทางข้างทางเราตอนเดินทางเนี่ยเราจะมุ่งมุ่งหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวเลยอ่าถูกมุ่งอย่างเดียวตามหลวงพ่อบอกอย่เดีวเลยหลวงพ่อบอกอี้หน ทำตามแบบเพื่อในความพ่อหลวงพ่อทีทําอะไรหนูก็ทําตามนะหนูก็ได้คิดต่อว่าผลมันจะเป็นยังไงเพราะหนูไม่ได้เคยคาดหวังแค่ว่าหลวงพ่อบอกให้ดูหนูก็ดูแค่แค่นั้นทีนี้ทีนี้พอเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราค่อยมองย้อนหลังกลับมาว่าเออเราไม่มเป็นยังไงตรงไหนเราเป็นอัจฉริยะตรงไหนเนี่ยเป็นมหาสติตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยมัน มันเบามาเรื่อยเบามาเรื่อยเนี่ยตัวตนน้อยลงน้อยลงมาเรื่อยมาเรื่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเราเรามองย้อนหลังมาเ <ละ S 1> ราอ่ามันจะม า, มาสอนเราอีกทีต่อหลังจากเราหลุดแล้วมันก็ะ จ, ะจะละเอียดขึ้นอ้าวบางทีเราก็เห็นใจว่ามันฝากมันก็พูดพูดพูดอ้าปาไปเรื่อยขันไม่ได้ทํางานอ แต่ใจมันไม่ได้ดยิ้มเสียหเราคุยกับหลกงพ่อหลวงก็เห็นปากมันก็เพิ่มกับก็เพิ่มมันก็เพิ่มเละไม่มีเราในนั้นนะมันเป็นการทํางานของขันถ้ามันก็จะเรียนรู้ของมันเองค่ะมันมันเป็นเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือทํามีทําเหกือบเป็นเครื่องมือของทำงานเถอะนะทามีกิเลสก็เป็นเครื่องมือของกิเลสนั่นแหละเออมันเป็นอาศัยเครื่องมือมันไม่มีเครื่องมือมันก็แสดงออกไม่ได้ใช่ไหมจะมาพูดจะมาอะไรมันก็ไม่ได้มันจะเออมันก็อาศัยทำมีทำแล้วก็เปับเป็นเครื่องมือของกนัทำ เออแต่ว่าเป็นตรงนี้ยเราไม่มีกิเลสเข้าไปเกาะมันสักอย่างเลยเอ่าอ่อมันก็มันมันกิเลสมันไม่มีที่เกาะเนี่ทีนี้มันไม่มีที่เกาะที่ยึดมันก็เลยเป็นอิสระออามันอิสระเลยค่ะหลงพ่อเลาะได้เห็นอะไรก็ทำได้เพราะว่ามันไม่ได้มีเราตรงนั้นเออ่นั่นแหละธรรมชาติเขาแสดงของค์เขาตลอดเวลาอย่างนั้นน่นเป็นธรรมชาติเขาก็เป็นรู้เขาก็เป็นรู้ทยธรรมชาติ อ่าคิดเขาก็คิดโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยทุกิ่งอย่างเขาเป็นธรรมชาติจะไม่เห็นมีใครไปเป็นเจ้าของความคิดไปเป็นเจ้าของรู้อันนั้นนะเขาแบมีจธรรมชาติของเขาอยู่นั้นอ่มันเกิดเองกับเองเลยโดยธรรมชาติอ่าอ่คิดมันก็คิดเองรู้มันก็รู้เองเลยไม่มีเจ้าของความคิดเลยไม่มีเจ้าของรู้อันนั้นนะมันเป็นอิสระเพรมันเนี่ยต่างคนก็ต่างอิสระอืมอ่ะก็เลยไม่มีใครไปทุกข์กับมันเพราะมันไม่มีเจ้าของสักอย่างนะ เม่ตั้ค่ะไม่ไม่ ม, ม, ม, มีตัวมีตนอมันเลยเบาแบบอแบบอยู่แบบมันมีกลางวันกลางคืนอย่างเดียวเออมันก็ทำตามหน้าที่ไปเหมือนเดิมทําอะไรก็ทำตามหน้าที่ไปเนี่ยยังไม่ตายก็ทำตามหน้าที่ไปนะนะเนาะเนาะทำงานเลี้ยงตัเลี้ย ง, ยงข้องไปอืม อ, อ่าอย่างที่หนูดูแม่หนูป่วยจะจะเป็นมา่ก่อนหนูก็คงยึด ก, กับเขาอนที่ถูกปรองเขาหนูก็มองเขาเป็นกายอันนึงแหละเหมือนแห่งอะไรวัตถุอันนึงเลยค่ะหลวงพ่ออือม นะก็ดูกันดูกันไปตามหน้าที่นะดูแลกันไปตามหน้าที่เท่านั้นแหละมันจะให้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมหละมันเพราะว่ามันใช่มันไม่เหมือนเลยไม่ได้แล้วสมัยก่อนเป็นยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมองอะไรผ่านไปหมดเลยแล้วต่ยามันดับเร็วมากเพราะเราไม่ได้เก็บอะไรเลยแต่ก่อนมันยึดหมดนี่อะไรผ่านมามันยึดหมดใชเป็นเราเป็นของเราไปหมดทุกไปอยู่ตลอดเวลานะมันที่ถามตอนเช้าก็จำไม่ได้แล้วว่าทําอะไรบ้างมันไม่งงมันมันไม่ลืมมันไม่จังมันไม่เก็บ มันมันรู้แค่ขณะเดียวใช่ปัจจุบันเลยค่ะอาปัจจุบันแลก็จบใช่ปัจจุบันแล้วก็จบมันมันจะไม่ไปเอาอดีตอนาคตแล้วมันจะอยู่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวเลยเมื่อเช้าทำอะไรมาผมก็จําไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่จําไม่อะไรเอาแค่ปัจจุบันนะปัจจุบันนะขนาดจิตปัจจุบันเลยใช่ใช่ใช่ครับอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุยอยู่ก็อยู่แค่ตรงเนี้ยคุ่ใช่ยู่ตรงเนี้ยไม่ได้คิดอะไรเย พอ <folklore S 2> จบจค <ำ S 2> ําแล้วมันไม่ <l uc ces> ไปอะไรอวอแล้วมันลืมไปใช่ใช่คือม <uitive diaper> ันมันเหมือนมันอยู่ข้างนอกนอกกายเราไปแล้วอ่ะใช่ใช่ค่ะอ่าแต่โทษเลยเขาสาธวยยังไงยมแจ้วมีอะไรจะคุยอีกคือเปล่าคุยกับอุ้เขาว่งหรือเปล่าตอนตอนนี้เริ่มนั่นที่พอ่แล้องถามกุนพี่เขาเนี่ยถามกุญพี่เขาเนี่ยเป็นไงเนี่ยถามอู้เนี่ยเริ่ด้นแน่อืมแต่เก็อนอูจะแน่นแล้วปล่อยค่ะ มันจะชอบแล้วมันเต็มแล้วมันมีชีวิตอะไรอยู่กลางอกอะค่ะว้อ้โหยุบๆแล้วก็แน่นอืมแล้วก็น้อนะคะกรดูเฉยๆเดี๋ยวมันก็จบของมันเองมันไม่ได้มีอะไรค่ค่ะค่ะใช่ใช่ทุกอย่างรู้รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบค่ะก็ไม่รู้รู้รู้หวารู้หวาใช่มันดับของมันแล้วจบรู้แล้วจบค่ะใช่ใช่วานดี้นาในอากาศก็แก้อย่างเนี้ยค่ะใช่ใ เขาใกันกันอ่ามีอะไรจะถามนะมีอะไรจะถามเพราะว่าคนเขาสงสัยกันเยอะว่าเราไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาอสุภะเนี่ยใช่รู้เฉยๆทาไมมันมันกิเลียดมันทึงหมดได้จะตอบเขาว่ายังไงถามใครมันอ่ามเอาเอาถามจัดจะดถามอู้ดูก่อนก็ได้จัดอ่าก็มันมีสติอยู่ขณะปัจจุบันน่ะสติมันมาอืม เราฝึกสติสตินักสตว์ปัจจุบันมันก็เห็นนักขนาดนั้นเลยค่ะหลวงพ่ออืมมันไม่ได้ไปคิดเจรนากายอะไรเลยใช่ไหมเราเราแค่รู้เฉยๆคิดคิดคิดขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆชอบไม่ชอบเราก็รู้เฉยๆแต่ทําไมมันมันเพราะอะไรมันจึงเหมือนมันถึงหมดตัวหมดตนไหน่อยฝ่าวงเลสติมันสติมัน อยู่ตลอดเวลาครับสติสติมันอ่ามันสติมันมันดูแลหมดทุกอย่างมันก็เลยมันก็เลยไม่มีอดีตไม่มีแล้วพอไม่มีอดีตไม่มีนะพุทมันอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ไปอะไรนะครับมันก็เลยไปไปได้เร็วขึ้นแล้วอีกอย่างมึง อ่าอย่างหนึ่งเนี่ยจิตมันเป็นกลางรู้เฉยเฉยคือจิตเป็นกลางมันไม่มันไม่ไปเอียงซ้ายเอียงขวามันไม่ไปสุขมันไม่ไปทุกใจไหมเรามันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยความเป็นเรามันจะหมดไปเออมันมันจะไม่มีเราในในอยู่กับรู้เฉยเฉยเนี่ยความเป็นเราจะไม่มีแต่ถ้าเราไปสุขมันจะเป็นเราสุขถ้าไปทุกจะมีเราทุกแต่ถ้ารู้เฉยเฉยเนี่ยมันจะไม่มีเราเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกลางไปเรื่อยเป็นกลางไปเรื่อยจนมันเป็นกลางโดยหลธรรมชาติเนี่ยจนมันรู้เฉยเฉยจนเป็นธรรมชาติเหมือนปัจจุบันนี่แหละ อ่าอ่าแสดงเราฝึกสติพร้อมความเป็นกลางไปด้วยมันจะพร้อมกันใช่ไหมผมคื อ, อ, ค, อคือเราไม่ได้เข้าไปเป็นอะไรเลยเนี่ยที่ีเราเราสู้เฉยคือไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างเออาอารมณ์ไหนมาก็ไม่ได้เข้าไปเป็นชอบไม่ชอบก็ไม่ได้เข้าไปเป็นสุขทุกก็ไม่ได้เข้าไปเป็นพอใจไม่พอใจก็ไม่ได้เข้าไปเป็นคืออยู่ตรงกลางอย่างเดียวรู้เฉยเนี่ยเป็นกลางอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยหมดตัวหมดตนพ่อแบบนี้เหมือนกันนะ ก็หมดตัวหมดตนนะพะเพราะมันไม่ได้ไปเข้าไปเป็นอะไรสักอย่างเป็นแค่คนดูเนี่ยก็เลยรู้หมดว่าพฤติกรรมของมันที่แสดงออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการเป็นอารมณ์เป็นความคิดปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่น่ะมันมันรู้หมดทุกสิงอย่างจนมันหลอกไม่ได้เหมือนกันเถอะนดูดูเฉยๆจนมันจนมันมันหลอกเราไม่ได้อีกอ่ะจนจนจนไม่เชื่อมันอีกมันก็เถอะนะอ่าี่ยเราดูเฉยๆเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยแหละมันเป็นกลางเนี่ยมัน มันมาหลอกไม่ได้อีกให้เราหลงไปเป็นกับมันไม่ได้อีกอ่ะมันมาหลอกให้ให้ให้รู้อันนี้ไปหลงมันอีกไม่ได้เอางั้นเถอะนะอาการไหนมาอันก็ไม่หลงแล้วทำไมอพราะมันไม่ได้เข้าไปเป็นแต่ก่อนมันเข้าไปเป็นหมดนี่ชอบก็ไปชอบกับมันไม่ชอบกับไปไม่ชอบกับมันฉุกกะไปกับมันทุกกะไปกับมันแต่ก่อนอันนี้มันเฉยรู้เฉยเนี่ย ไงล่ะมันก่อนสติมันยังไม่สติไม่แข็งแรงเออเออนั่นแหละพอเรามาลุกเฉยเเรามีสติสติอ่าสติเราเริ่มแข็งแรงขึ้นมันก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าไปหลงกับไปตัวความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆ่มันก็รู้มันเฉยเฉยไอ้รู้มันจะคิดไงก็รู้รู้ก็ปล่อยปล่อยความคิดมันก็นมันก็พัฒนามาเรื่อยเรืออยอั้งแต่ มันกราก็ะสะติสมาธิปัญญาก็ไปด้วยกัน น, นะมันไปพร้อมกัน ม, มันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปเออเออแต่ของอุ้จะเห็นชัดคือตอนที่ฝึกใหม่ๆค่ะหลวงพ่อที่หงพ่อใส่งกันบ้านอ่ะอุจะมั่นใจมากว่าสินอ้วบริสุทธิ์เลยอืมเพราะว่ามันที่ไม่ได้สินข้างนอกนะสินข้างในเลยเหมือนเราเห็นใครขับรถผ่านเนี้ยแล้วเขาจะโถบเราหรืออันนี้ใส่ไม่ดีเนี้ มันมาก่อนเลยค่ะมันจิตมันจะอะไรจะเคลื่อนไปว่าเขาเนี่ยแล้วพอเราเห็นกมันดับกูก็เลยเข้าใจอ๋ออันนี้มันคุมเราโดยศีลที่เราบริสุทธิ์เลยค<ม>พเพราะลราไม่มได้ไม่มีการว่าใครเลยค่ะมันดับไปแล้วมไม่ทันอันนี้กูจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมศีลมันต้องมาก่อนเลยเลยเกิดมาถ้าไม่มีสติมันไม่เป็นศีลหรอกอ่าสติไม่มีเนไม่เป็นศีลมันจะเป็นศีลได้มันต้องมีสติเนะ่ แนเออกะเห็นชัดเรื่องสิ่งก่อนเลยนะสําหรับหุณนะคุณจะเข้าใจเรื่องสิ่งก่อนนั่นแหละสติถึงจะเป็นพี่เลี้ยงทุกสิ่งอย่างสติเนี่ยขาดไม่ได้สติเนี่ยอ่าสําคัญเออาันก็เลยมันรวมกันสิีสมาธิปัญญาขนาดที่เราอยู่ใะปัจจุบันมันกเลยพร้อมกันนะแล้วแล้วแหนมมาที่หลังบ้างไงบ้างแหนมพูดให้ฟังหน่อยพูดพูดให้แต่ว่าจการจะมาเชิญสมาธิฟังหน่อยเนี่ย งบปัจจุบันนี่เป็นไงอ๋อก็มีสติในทุกขณะที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันนะเจ้าค่ะอืมก็มันก็รู้สึกว่าเวลามีอะไรมากระทบหรือได้ยินได้ฟังอะไรเราเหมือนเราเราเข้าใจในในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังรู้เฉยเฉยโดยที่เราไม่เข้าไปปรุงแต่งกับสิ่งที่มากระทบ มันก็เลยทําให้การใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นในทุกขณะในในทุกๆวันนะจ๊ะค่ะสตินี่เราก็ไม่ได้ไปเจตสติเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปให้มันมีนะมันเป็นธรรมชาติโดยหลธรรมชาติของมันนะสติอันนี้นะอมันก็รู้มันก็รู้โดยธรรมชาติของมันเหมือนกันไม่โดยไม่มีการไปบังคับหรืออะไรมันมันเป็นธรรมชาติหมดสติก็เป็นธรรมชาติอรู้ก็เช่นรอมชาติทุกสิ่งอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดคือแต่ก่อนนั้นเราเราไม่ ไม่เป็นธรรมชาตินี้เราไม่เป็นมันก็จะเผือสติไปหรืออะไรไปเราก็จะคอยระวังประคองมันอยู่ตลอดสม่ไมก่อนนะที่นี่เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเลยโดยโดยจากธรรมชาติของมันอ่าสติอ่าเป็นธรรมชาติหมดที่นี่เออเออแล้วก็ไม่เข้าไปไปไ ป, ไปตั้งหรืออะไรมันก็เป็นอัตโนมัติจะผ่านอืมอืมอืมเมือนเรามีสติตั้งมั่นขึ้นเราได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรเอ่าตามความจริงๆเราก็เหมือนกับเขา เขาก็จะแจ้งจัดการตามอาการต่างๆตามคาดขันที่เขาได้ยินได้ฟังค่ะโดยที่เรามีสติตัวเนี้ยมันเหมือนมันมันตั้งมั่นแล้วมันมองอะไรมันก็เหมือนเป็นกลางไปโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปตั้งใจให้มันเป็นหรือไม่ตั้งใจให้มันเป็นมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเนอธรรมชาติเ้วยกำรังสติของเราอืมันเป็นธรรมชาติของมัน เนี่ยเราเป็นกลางมาตั้งแต่รู้เฉยๆทีแรกตั้งแต่อยากกายอยากจิตมาแล้วเราก็รู้เฉยๆเป็นไงมาเรารู้เฉยๆมามันสะสมมาจนมันเป็นนักปัจจุบันให้จนมันเป็นรู้เฉยๆโดยักธรรมชาติของมันเนี่ยรู้อันนั้นมันก็เฉยนะอาจจะอะไรมาสิอะไรมันก็เฉยนี่ยมันรู้เฉยๆอย่างเดียวอตอนนี้นะเป็นรู้เฉยๆโดยักธรรมชาติทีนี้เอาคุณนายมาแล้วเป็นไงเล่าให้ให้เพื่อนสมาชิกฟังหน่อยเอ่า นายเจ้าค้าาะแล้วก็จัลยานามิทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับพี่โจค่ะคุณเจ้าค้าขอโทษทุกผ่ายชาเป็นนิดนึงค่ะพอดีอยู่ในจุดที่มีสัญญาณนะคะไม่ได้ครับขออนุญาตจับกันตั้งแต่วันที่14เดือนพฤศจิกาเป็นต้นมานะเจ้าคะแล้วก็ตั้งแต่ได้พอรู้สึกว่าแต่ละส่วนนะมันแยกกันอยู่ กายมันก็อยู่ของมันใจความนึกคิดสติเขาเห็นว่ามันแยกกันอยู่มันไม่ได้เป็นงานเดียวกันแล้วปิติเกิดขึ้นพูจากปิติเกิดขึ้นหลังวันนั้นมาเนี่ยก็ดูวันทุกวันตื่นมาก็ดูหลังจากหอวงพ่อได้ไม่จับุกดูตอนเช้า ว่าวันนี้ตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรความรู้สึกมันจะคือโลง่โลงผโฟมๆไม่มันอิสระนะคะมันตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกอย่างเรียนหลวงพ่อวายมบอกหลวงพ่อไม่ถูกอืแล้วก็บางอย่างเหมือนมันมันเหมือนคนตับเลยไ่เรียนหลวงพ่อกางอางมันสัญญามันดับแล้วมัน มันเหมือนจะต้องรีบูตมันใหม่อ่ะทีนี้ตู้ก็ดูตัวเองมาอยู่นี่ก็เดือนกว่าวันก่อนได้มีโอกาสาเรียนหลวงพ่อแล้วก็ลุงจอกก็ว่าตู้อู่ก็ดูตัวเองทุ ก, กวันว่าทุกๆวันตัวเองยังมีทุกอะไรอยู่ไหมยังมีความรู้สึกอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าสิ่งที่มีก็คือบางอย่างมัน ม, นมน า, ากระทบจิตอะค่ะความพอใจไม่พอใจความความอ เหนื่อยล้าอ่อนเพลียเราเราเห็นตั้งแต่เผ็นแล้วมันเหมือนมันเด้งมันมันมันไม่มันไม่มันไม่ไหลอย่างกูบางทีเรามาเจอบางคนที่มีพฤติที่แบบว่าเราไม่ค่อยจะถูกใจิมันก็จะรับรู้ว่าไม่ถูกใจแต่มันไม่ลากไปไหนสักพมันก็หายไปมันรับรู้แต่ก็หายไปกูก็มาอยู่ตรงวันนี้ก็คือเราหลวง่อฟังก่อนไปกู ช่วงนี้อาการทุกป่วยเพว่านอดน้อยแล้วพักผ่อนน้อยอาจารย์มันเริ่มอ่อนแรงเยอะขึ้นแล้วมันก็มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่มันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยตู้คงจะทุกข์กว่านี้มากเพราะว่ามันจะท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากเจอใครที่มันเคยเป็นอนะคะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนว่ากายมันป่วยมันป่วยไปแล้วมันก็ไได้เห็นมันมันแยกกันอยู่มันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใจของเรา ใจก็ดูแล้วสบายไปทุ่มไปลอ ด, ดููเป็นกลางๆค่ะหมายถึงว่าหน้าวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นตั้งๆที่แบบว่าร่างกายมันไม่เอื้อแต่ใจมันก็ยังน้่งองบไม่ไม่ไส่ค่ะอันนี้นี่หมายถึง ว, ว่าปัจจุบันที่เป็นมาเดือนกว่าแล้วเจ้าค้าหลวงว่า อ, อืมอืมอืมก็กถูกแล้วลวนะกับมันกับอย่างนั้นแหละมันกั ขันมันทำงานก็ต้องมีบ้างแล้วนะความคิดนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์อะไรผ่านมาเมื่อกรับรู้รับทราบเหมือนเดิมหมดนัแต่มันไม่เข้าไปยึดไปถือมัอนแต่ก่อนมันมันรู้แล้วมันก็ดับข้องมันไปเองมันวไม่ได้เจตนาอะไรให้มันดับให้มันเกิดอะไรมันเป็นกิเลสธรรมชาติชาติข้องมันอยู่นั่นแหละอ่าเพราะว่ามันยังมีขันห้าอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีอาการข้องมันอยู่เป็นปกตินั่นแหละอาการแต่ไม่มีใครไปหลงอาการเท่านั้นเองอาการมันก็เป็นศักแต่ว่าอาการนาะ รู้กับสักแตว่ารู้มันก็เลยไม่มีใครไปทุกข์กับอาการไปสุข ก, กับอาการที่มันผ่านเข้ามามันกับสักแตว่ารู้อย่างเดียวอาการกับสักแต่ว่าอาการมันก็เลยเป็นอิสระของของใครของมันอยู่อย่างนั้นอ่าอือก็เอือโจมอ่าเรียนหลวงพ่อเมื่อเมื่อวานนั่นนะคะว่าแบบข อ, องข่าวทุกข์เนี่ยจะ สามารถปฏิบัติได้ในชาตินี้คือหมายว่าเมื่อก่อนเราเคยเห็นว่าจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเนอะเพราะว่ามันเหมือนอจะจะปีนไปดาวคานก็แบบมันแบบว่ามันยากแต่พอตั้งใจเป็นทุกข์แลก็เห็นทำแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้เมตตาแนะนำํำได้สภาวะบางอย่างบางอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้ น, น, ล น, งลงล น, นแล้วก็ได้เรียนปึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชี้แนะแล้วก็พอมาวันนี้ก็ เป็นภระคุณอย่างสูงค่ะที่แบบว่าโยมตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เห็นว่าทุกเนี่ยมันมันสามารถที่จะเอ่อให้คำว่าอิสระได้อิสระจากทุกต้องว่าอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะว่า<ม>แต่ถาแเราถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่โอค ง, งแย่เจ้าค่ะหลวงพ่อ<ม>แต่ว่าตอนนี้มันก็โยมก็คุยกับท่านรองอยู่ว่ามันนี้ไม่ว่าอะไรมากระทบ มันไม่ลากเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเป็นเมกกื่อก่อนเวลามีใครหรือคนที่เราอยู่ลูกน้องบริวารอะไรอย่างเงี้ยมาทำอะไรไม่ถูกใจบางทีมันอารมณ์มันก็มีฉุนเฉียวนะเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้มันแค่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารับทราบแล้วมันอาจจะแวบหนึ่งที่เรารู้สึกไม่พอใจคือว่าแวบหนึ่งเราถูใจแต่มันมันก็เหมือนมันเด้งลับเจ้าค่ะ เขาขออนุญาตมันเป็นมันไปหตโนมัสมันเร้งกลับไปหนาตโนมัสใช่ไหมพี่จุกมันมันมันไม่ยึดเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันไม่มีตัวตนเข้าไปยึดมันก็เลยเด้งกลับออกไปทิงกายกายป่วยมันก็มันก็ส่วนของขันเนาะเนาะพราะว่าพอพอพี่แยกได้แล้วพี่ก็ไม่เข้าไปชุกกะกายไงใช่ไหมครับผมจะผมพึ่งตอนลงมาอยากดอยพึ่งกลับมาเนี่ยมันก็ลับมาเขาก็มาป่วยเหม่งัน ผมก็มานอนดูมันมันรู้กายมันป่วยไอ้ตัวเรามันจริงตัวเรามันมันที่ว่าจิตจําช้มันมันไปแล้วมันไม่ป่วยมันไม่ใช่แล้วขันมันป่วยครับก็ดูแลไปตามหน้าที่อะครับมันป่วยก็ปล่อยมันไม่ัมันไม่มีใครเข้าไปเยอะว่าเป็นขันเป็นเป็นร่างกายของเรามันก็ไปทุกข์อะครับอีเนี่ยผาตู้ก็ก็คิดมันลูกจอบเหมือนกันว่าเมื่อตอนเนี้ย เราป่วยนี่กายป่วยใจมันป่วยด้วยนะแต่แพทย์เขปวดรกาก็รักษามันปีตินะฮะลุงจอบจะปวดใต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แต่แต่วต่แต่่แต่แย่แน่แง่ัน่แต่แต่แต่ลต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่สต่แต่แต่แต่แต่นต่แต่แต่แแต่แตรแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่ต่่แต่่แต่แต่แต่แต่แต่แแต่แต่แ่่ เพราะรอยู่กับทางโลกเราก็ก็ก็อย่างที่คุยกันตอนที่อยู่ที่วัดกับหลวงพ่อแหละถ้ามีอะไรก็ต้องทำไปทางโลกแต่เราไม่เข้าไปยึดที่ละสิ่งที่เราทำเท่านั้นเองอืมอันนั้นนะครับอืม <c oughs> ต่อเลยครับพี่ตุกต่อเลยก็สิ่งที่จะขออนุญาตจากเรียนหลวงพอ่อกับอ่คณะกาลยานามิตรการสุตุเองพิ่ง ได้เจอสภาวะนีะ้บางประมาณเดือนกว่าก็ดูตัวเองทุกวันว่ามีทุกข์ยังเหลืออยู่ไหมแต่ตอนแรกเข้าใจที่ว่าอ่ะยังมีออารมณ์ไม่พอใจอพอใจแต่มันหมายว่าความอยากทั้งหลายเนี่ยมันมันแทบไม่ค่อยเป็นเลลุงจอกแล้วแล้วก็กางยังเมื่อคเนี่ยตู้เนี่ยจะเป็นโรคแบบว่า เวลาเราเห็นของสวยของงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอยากได้อยากซื้ออยากนั่าอย่างนี้แต่เมื่อพอมันมันก็มันเห็นล <c oughs> <mud> <c oughs> ีบมันก็แค่หนึ่งว่ามันงามมันสวยนะลุงจอกแต่มันมันไม่คัดมันไม่คุ้นตอนเออแต่ว่าการถ้าตู้จาเป็นต้องได้ได้ใช้ในงานต้องไปออกงานเอาแะ้วงี้ตู้ก็ซื้อแต่มันซื้อเข้าอย่างนั้นแต่ลุงจอกมันไม่ได้ซื้อแล้วมาคมเหมือนเมื่อก่อนนะจะใช่ใชใช ซื้อมาบางทีเจ้าปอเอาไปวางไว้แล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมั น, ม, นมันเหมือนตัดไปว่าเหมาหลงห่อสอนนารุจอ ก, กปันเลยบางอย่<ต>างมันคือมันไม่ไเฉยชมเมื่อก่อนเราจะคิดความรู้สึกว่าดีใจชอบปิติของเราที่เราซื้อมามอันนี้ก็ชอบพาไทยเหมือนกันแต่แตอนนี้นมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วค่ะไม่ดูเฉยเออเพื่อเอาไว้ใส่ไปทํางาน ก่อนน้องเอามาเคยชมมีความสุขวยเราได้ทีนี้มาตู้ตู้้คงเป็นเหมือนกันเาว่าบาง่ีตู้ก็เอามามาชมเนาะแต่เดี๋ยวนี้มารูปมาทาโอ้ตัวซือมาเป็นแสนเลยนะตอนนี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยเสีนี่รู้สึกว่าตอนเราหลงไปอยู่พักเหนึ่อยสองปีโอ้ทีท่ามา แต่ตอนนี้มองเป็นเศษอะไรไปแล้วว่า ม, ม, ม, มันอยู่ตอวัอยแยกวปเลยค่ะไม่จับมันอี่เครับ <c oughs> มันมันมันไ ม, น ม, นมน่ไม่มีมีไม่มีเราเข้าไปยึดในสิ่งของว่าเป็นเรามเราไม่มีตัวไม่มีตัวไม่ต้องเสียถ้าเรารู้ก่อนเนี้ยเราไม่เสียตังค์เยอะครับใช่คร <c oughs> ับเออเอาหลั้านก็ ที่ที่ตู๊ยังดูตัวเองอยู่ทุกวันก็คือว่าเวลามันมีอะไรจอนเข้ามาแต่ใจนี่มันตู้เพิ่งเพิ่งได้สภาวะนี้น้องลุงจอกน้อนแล้วก็กะะัลยาณ์นี่ทุกท่านตู้รู้สึกว่ามันไม่แม้เอาะะอะไรอะไรจับใครเลยนะคะ บ, บางทีตู้ไม่รู้ว่าลุงจอกค่ะไปแล้วพี่พเปล่าไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยมาถึงเราเนี่ยโดยเฉพาะตู้ตูเ้เป็นเป็น ที่แล้วก็เป็นเหมือนแม่น้องน้องสองคนเนี่ยก็เลี้ยงเข้ามาแบบลูกทีนี้พอเขาจริทเ่ขึนจะได้ิงขึ้นตำแหงตำแหน่งแล้วตู้กับท่านลองก็ต้องไปช่วยอ่านนั้นงามนี้ใช่ไหมครับลุงจอกแล้วทีนี้พอปัญหาอุปสรรคมันเยอะเขาไปเป็นตู้เขาแต่เนีมันก็เรื่องเดิมนั่นแหละลุงจอกแต่มัมนไม่อือ ก็แต่ว่าช่วยก็ช่วยนะคะแต่มันไม่ตัวมันทุกไม่มันไปสุกกับเขาเขาได้ตาแหน่งก็เจอเขาไม่ได้ตาแหน่งก็เจอแต่เนี้ยบางอย่างตู้ก็ไม่กล้าจะไปบอกเขาว่าตู้มีควารู้สึกแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าเรารู้นะข้างในของเร า, าโอ้อเราเพี่ยนเมื่อก่อนพี่ตูเ้เอาเอาเอาเอาตัวตนงพี่ตู้เข้าไปยึดกับน้องไงมากเลยนะลูกเออนั่นแหละพอตอนหลังพอพี่สิ้ง ทิ้งทุกอย่างได้แล้วมันก็เลยไม่เข้าไปยึดกับกับกับน้องก็พี่ก็เลยทําก็ทําตามหน้าที่ทําเสร็จก็จะเสร็จกันไปทําไว้ก็ไม่เลยไปยินดีหลายกับเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ยังยึดอยู่ยังเอากายของพี่อาจิตของพี่ไปยึดกับน้องไปผูกกับน้องทำกี่ครั้งก็ทุกๆุกครั้งอะครับไายไม่ได้ก็ต้องทุกเลยใช่ไหมครับจริงต้อพูุกครบ มีความรู้สึกว่าโอ้แบบว่ามันมันเห็นความแตกต่างอะนะคะคือเรารู้ด้วยตัวเองสองเนาะว่าเออเมื่อก่อนเราเคยทุกมันว่าแบกโตกั่ไว้ทั้งโลกแล้วก็แล้วก็อมทุกข์ทีนี้พอมันปัจจุบันมันโป่งมันโล่งตุกคนดูตัวเองทุกวันแล้วก็ดูตัวเองวันแล้วก็มาดูตัวเองว่าเอ้ทุกวันนี้ยังทุกข์อะไรอีกไหมล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอีกไหมเฉยไปหมด กู <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นหมือนูหรือเปล่า ก, กูก็แต่แว่าพี่ดทเาไปทำนที่แต่มันไม่ไปปลูมกมัดลูกพันหรือว่าจะไปคล่อวัดของผมว<ผ>ม่อสองอาทิตย์นี้นคิดอะไรไม่ออกเลยนี่ว่าไอ้กูเป็นไรวะทำไมกูไม่มีความนึกคิดอะไรหรือว่าทำไมกูลืมอะไรไปหมดหรือเปล่าวะอย่างนี้นยังยังต้องโทรไลาหาหลวงพ่อเลย เอ้ยผมจะทํายังไงมันจะอยู่ไงเนี่ยไม่มีความคิดไม่มีทาอะไรเลยแต่มันก็ทําตามหน้าที่นะถึงเวลาก็ไปทําละขับรถไปส่งแฟนไปแลส่งแม่ว่เนี้ส่งลูกก็เป็นตามหน้าที่ทินก็ทินทําหน้าที่ทํางานมากางทํำตามหน้าที่แต่ว่ามันไม่มีความคิดอย่างอื่นเลยเราจะทําำไ่ว่าจะทําอะไรวะอย่างเงี้ยว่าบอกเป็นสองอาทิตย์ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมา <c oughs> คุณโชว์ก็ช <c oughs> น, น, นไปฮะก็ลับทุวันนี้ตู้วันละ ควาเรูสว่าเอ๊ะอยู่ยไงวะเนี่ยแล้วคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยออกจอกแล้วตู้ก็มีความรู้สึกว่าอย่างตูต้ตัวอย่างอ่ะตั้ลองบรรยายตัวว่าชาติก่อนตู้เป็นสลาสลาคนเหนือนี่หมายถึงว่าเป็นช่างตู้จบพยาบาลแต่ว่ามีความรู้ทางก่อสร้างอะไรเงี้ยจอกเวลาลูกร้องหรือ ว, ว่าใครต่อใครมาพูดเรื่องก่อสร้างให้ตู้ฟังเมื่อก่อนมันจะจินอา g r a m การมันจะเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊ปปนี้นจอกตู้ลากไปยังไงมันไม่ค่อยไป เพื่อหรือว่าฟังอะไรเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, อย่างนี้ละถ้าบางอย่างถ้ามันถึงเวลาถ้าจะต้องคิดมากเดี๋ยวค่อยๆเค้นมันเหมือนพยายามแต่เค้นแล้วจะลับไม่ไปครับอ่ามันไม่มีจินตนาการเหมือนที่ว่าวิ่งพูดว่บาบูดเหมือนละครไม่เป็นเลยค <kommer> ่ะพ<ๆ>ูอย่างนี้ไปก่อนบางทุกวันบางทีมันก็อยู่แบบอยู่แบบแปลกๆตายแล้วเกิดใหม่ยังไงไม่รู้ค่ะลุงบางอย่างหนู ต, ต้องมันดูเนี่ยเดี๋ยบที่เยี๋ยวไม่ทุกข์ก็ใช้ได้แล้ว ผมว่าก็เ<ช>พราะว่าเรา<ช>ยังมีขันอยู่เรางมีธาตุสีธาตุสีขันห้าอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่ไปจนกว่าของผมนี่ก็าบอกอยู่ไปกว่าจนกว่าจะครบกําหนดที่ต้องให้อยู่แล้วก็ทิ้งไปเลยเป็นซีเรสตัวใไม่ครับเพียงจต่ว่าใหม่ใหม่มันอาจะไม่ค่อยชินเพราะว่าสภาวะแบบที่เจอนะลุงนะครับอ๋อ อ่าดู่่าวอดูดูคนใหม่ฟังคนใหม่ที่พค่งจะเป็นได้ยังไม่ถึงสองอาชีพเนี่ยเราเป็นไงบ้างอะคนใหม่นั่นน่ะยมแปาเป็นไงเนี่ยอ่าบายฟังหน่อยยมแปาเนี่ยยังไม่ถึงสองอาชย์ตอนนี้อาการเป็ น, นยังไงยังยังงง ง, งยังนอนไม่ค่อยหลับอยู่นะเออไปได้ไปได้ที่นอนที่นอนไม่แบบจริงๆริะค่ะสี่คืนคะ่ะออืที่นอนไม่หลับจริงๆริอะสี่คืนนะคะอื ม, ม, มแล้วก็อาจารย์จอยสอนให้วางสอนวิธีทําห้วางเบา แต่มันก็เลยก็ยังชั่วขึ้นแต่ความติดโคลงเนี่ยมันยังโรวงอยู่มากๆอะไรคะอือจนกระทั่งมันค่อยๆ ค, ยคยลายลงเป็นบางขณะจนกระทั่งเมื่อตะ ก, กี้ที่คุยกันเน่ะมันเริ่มโคลงขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้มันปตกติแล้วคะ่ะอืมมันเป็นของมันเองก็เปนกระดับของมันเองค่ะอืมได้เรื่องการที่ว่าจะพูดอะไรมิม๊กไม่ออกหยุดไปเฉยๆก็ก็ปล่อยช่วงมันไปอย่างนั้นนะคะ ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปตามสงสัยไม่อะไรมันนะคะ <อ S 2> คิดใจก็พูดคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเขา น, นั่นนะคะอ่าเนี้ยอ่และรู้ก็ปล่อยให้มันรู้โดยอิสระของมันโดยธรรมชาติของมันคิดก็ปล่อยให้มันคิดโดยอิสระธรรมชาติของมันอ <gambling> ่าสบายสบายปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันหมดนั่นแหละเออเออปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันั่เอ่าอ่าอืา ไหมีมีอะไรยังไงบ้างอีกบ้างหมไม่ไม่อยากฟังพระบ้างเหรอมีพระอยู่ด้วยอ่าูค่ะอ่าพี่หนูว่าหนูว่าให้โยมฟังหน่อยอไม่มีอะไรคุยเราหลวพ่อเฮ้วก่อนเนี้ยไม่มียังไงก็คนกาอยากฟังมีหลายคนเลยนั่นน่ะมีมีแต่แต่นั่งฟังนั่งฟังเฉยๆครับผมอืม ปกติแล้วความคิดมันก็มีหน้าที่คิดของมันนั่นแหละไอ mm hmm. ้ตัวรู้มันก็มีหน้าที่รู้ของมันอยู่อย่างนั้นไง mm hmm. ถ้าเราอยู่ตรงกลางอะ่ะมันก็รู้รู้แล้วมันก็ลาดโดยอัตโนมัตินั่นแหละแล้วก็ที่คุยคุยกันมาก็เหมือนการเป็นเหมือนกันนั่นแหละเป็นเหมือนกันแบอยู่พ่ออยู่แม่ทุกคนนั่นแหละอาการเดียวกันใช่ไหมอาการเดียวกันไม่มีขัด <c oughs> ไม่มีขัดมีแยง้งอะไรกันบ้างหรอ <c oughs> ไม่มีครับไม่มี <c oughs> มันรู้แล้วมันก็ล่องมันโดยอ่ะมัมานบ้ต้องถามอาจารย์มหาด้วยครับอาจารย์มหาเป็นไงเหมือนกันไหมที่พูดมามีอะไรขัดแย้งไหมัาจารยมหาว่าให้โยมฟังหน่อยอาจารย์มหาหน่ะอครับอมันก็ก็เหมือนรอบข้อสอบนี่แหละครับรอบข้อสอบไรู้จะเอาอะไรไปพูดนะครับอ่าก็พูดแบบหมดแล้วก็ตรงทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละเป็นเหมือนกันนั่นแหละอ เหมือนรอบข้อสอบนี่ไม่ไม่มีไม่มีใครค้านกันเลยนะไม่มีอะไรแล้วปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันทำนั่นแหละปัจจุบันนิติปัจจุบันน่าทำเออแวันวันนี้ครบเหมือนรอบข้อสอบอย่างมากเลยอืมวันนี้วันนี้ครบแปดครบแปดแปดคนเลยวันนี้เออมาทุกคนดีแล้วจะได้แลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรูปกันนะแบบสุนทานาทำกันรื่นเริงไงทำกันนะ น้ำแหมแมมีอะไรจะพูดให้เพื่อนจะเพื่อนเอทําทําฟังบ้างเอเพื่อนเพื่อนทําสันเอเพื่อนญาติทํำเหรอนี่มีอะไรทญาติทำแมมีอะไรอีกไหมแล้วแล้วอุบบาปละมัธยการยันอยู่เจ้าค่ะแล้วมีมีอะไรจะจะคุยให้ อยากอยากจีทําฟังอีกบ้างไหมนางดีจ้าจีทําทุกท่านค่ะอก็คงจะลอการบ้านเหมือนกันนะคะรู้โกยจะจะมีความเออมันมันมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยอัจจโมนะนะคะเราไม่ต้องไปคิดมันมันคิดมันก็คิดของมันตามธาตุขันนะคะแล้วก็มันก็ไอฉันเขาก็ทํางานของเขาตัวรู้เขาก็คือตัวรู้กับมันก็ไม่มีมันมันไม่มี คือเราแค่รับรู้แล้วมันก็มันก็วางของมันโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเจ้าค่ะก็เหมือนกันทุกคนนะคะใช้ใช้อาการเดียวกันการใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเราปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติของเขาอเราก็สัตว์แต่ว่าเป็นผู้รับรู้รู้ก็รู้เฉยๆก็มองอาการต่างๆเขาแสดงของเขาอะค่ะอันนี้ เหมือนกับพี่ๆนะอ่าอันนี้รู้เฉยๆจริงๆมันแยกมันแยกกายแยกจิตรแรกมันยังยังไม่ค่อยเฉยบางทีก็เข้าไปเป็นกับเขาเข้าไปแสดงกับเขาอยู่แต่ตอนนี้มันรู้เฉยๆจริง ๆ, ๆ, ๆแล้วตอนนี้รู้ๆๆๆๆๆเฉยๆจริงๆอะไทีนี้นะเอ อ, อเมันจะเข้าไปแสดงกับเขาเลยตอนนี้เป็นคนดูอย่างเดียวทีนี้นะเฉยอย่างเดียวดูแล้วก็เฉยอย่างเดียวตอนนี้อ่าเราเราอูมีมีอะไรไงบ้างอ่าอูมีอะไรไงบ้าง ใชีวิตประจํามาเนี่ยคราวก็เออมีอะไรยังไงเสื่อมเติมไหมก็ก็ถ้าทำงานไปด้วยตอนนี้อู๋ทางานไปด้วยยังยังยังไม่ได้เกษียณนะค่ะอืมมันก็จะมีปัญหานิดนึงแต่มันเกิดขึ้นทั้งอยู่ก็ดับไปเพราะงานอู๋มันเป็นงานที่ทําให้คนต้องร้องไห้อืมอืมเขาก็จะมาเล่าเรื่องความทุกข์ความอะไรสารพัดอย่างเ้ยบางทีก็อยากจะฆ่าตัตายอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอู๋ก็จะรู้สึกผิด ว่าทําให้ขับเบียไปเบียดเบียนเขาอให้เขาจะต้องไปนู่นไปนี่ถ้าเขาฆ่าตัวตายจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนเราติดจิตเอาคนติดคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแต่ตอนนี้ก็คือมันเป็นกลางไงของพ่อก็พู่อะไรก็พูดแต่พูดไปแต่ก็ทำลาที่นั้นเราก็เราก็มีหน้าที่ฟังไปใช่ใฟังแล้วก็เฉยฟังแล้วก็เฉยใช่ใช่จิตมันไม่ไปเกาะเขาหรอกคือเขาหมองคือฉันผิด นู่นนี่งั้นเนี่ยนี้มันไม่ใช่อถ้าทําไปงานจะทําเต็มที่มันจิตมันก็ไม่ได้รับไปเศร้าหมองกับเขาไงค่ะอทำตามเหมือนจะทำตามหน้าที่มันจะอยู่ได้ในชีวิตประจำวันงานเนี่ยมันก็ดีขึ้นพอมันหลุดมาแล้วมันดีขึ้นมากเลยค่ะพ่อออืมทําโดยไม่เหนื่อยไม่เหน็ดนะคะมันเป็นหน้าที่ที่ฉันต้องทําก็คือทําอืำ แ ต, แต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่เหมือนเหมือนเหมือ น, นจะสุดเอื้อมนะไม่ไ ม, ไม่มีบุญวาสนาที่จะไปถึงได้นะความความไม่มีตัวตนแต่ก่อนนะมันเหมือนกับโอ้เราไม่มีวาสนาที่จะไปรู้เห็นขนาดนั้นแต่เมืม่อก่อนนะความคิดแต่ละคนนะน้อยเนื้อจำน้อยเนื้อจ ำ, ำใจมากอพ อ, อที่เร่าของพอฟังเขาทำมาตั้งนานทำไมมันไม่พัฒนาแต่ พอพอพ่อมาเมตตาที่บ้านมาสองรอบรอบที่สามเนาะคือพอให้ให้ให้ลายแล้วหลวงพ่อแล้วเตียนกับลวงพ่อเลยอะ่ะอืมอแล้วแล้วมีกำลังใจขึ้นมาแล้วรู้แล้วรู้หรือยังว่าทําไมมันไม่เปลี่ยนไปสักทีเราเราเราทําไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเราเราไม่รู้สึกตัวต่วอตเนื่องเราไม่แบบนี่ใช่ไหเอ่ ใช่แล้วสี่ยงกับหลวงข้อว่ามันไม่ต่อเนื่องเพราะก่อนนั่งสมาธิตอนเช้าตอนก่อนนอนสี่ชั่วโ ม, โมวงเช้าตื่นมาก็นั่งนั่งทําแล้วก็ใส่บาตรคือทํอย่างนี้ในชีวิตประจําวันทํำอย่างนี้เป็นสิบสิบปีค่ะแล้วพอมาอยู่อยู่ยก็ปวดขากระดูกมันไม่ดีค่ะมันนั่งไม่ได้อืจะเครียดว่าเราไม่ได้ทําต่อแล้วเกิดมาชาเนี้ยเราคงไม่สําเร็จแล้วติดอาปัญครูไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยค่ะ จนมาเจอหลวงพ่อมาเมตตาที่บ้านนั่นแหละค่ะเราเราเราก็คิดในวิธีใหม่เราก็คิดว่าจะจะจะภาวานาได้เฉพาะตอนนั่งหลับตาก็เดินจงกรมใช่ไหมต<า>อนไม่หลับตาไม่เดินจงกรมภาวานาแล้วตำรวจจับเนาะคือคือของอู๋ยังเห็นความคิดเป็นแว๊บแวแต่อู๋ไม่ได้ต่อเนื่องอู๋เห็นบางทีมันเห็นมานานแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ไม่ได้ต่อเนื่องอูไม่ได้ต่อเนื่องปุ๊มันก็จบไปตรงนั้นเพราะเ่าก่อนเนี่ยอู๋อ่านของหลวงปู่ดุลเนี่ย ชอบมากเลยบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกส่งออกนอกเป็นทุกข์อุ้กก็ฝึกอย่างเงี้ยงงมาแล้วพออุ้ก็หยุดไม่ได้ทอมต่อไงคะได้แต่นั่งสมาธิเพื่อเอาความสงบไงคะ嗯嗯ในชีวิตประจำวันอูก็จะไม่ได้กําหนดสติไงคะอืจากกาหนดเฉพาะแค่ตอนเดินไปเข้าห้องน้ําเดินทํานู่นทํานี่ก็จะมันก็จะติดอยู่แค่ตอนเดิน嗯嗯ค่ะแต่ตอนทํางานปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในงานนะคะหลวงพ่ อ, พอ嗯嗯 แล้วเราทํางานเยอะมันก็ไม่ตัวนั้นอะสติมันก็ไม่ได้แหละหเพราะเราเอาเอาสติเอาตัวเราไปอยู่ในงานนั่ส่วนใหญ่กลับมามานั่งสมาธิสวดมนต์มันก็ล้านได้แค่ตอนนั้นตอนกลางคืนถ้าใหม่มันก็ไปทํำงานอีกนะครับหลวพมันจะหาไม่ไผลแต่พอหลวงพ่อบอกให้ฝึกสติในชีวิตประจําวันและส่งกันบ้านมันก็ได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นผลตลอดเวลาครับมก็เลยไม่นานอป๋ามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมอ๋อไม่ไม่ครับ ไม่ไมีอะไรครับอ่ก็อ่าแลเราเรายมตู้อ่มีอะไรจะเสียบอีกหน่อยไหมยังว่าคพิ่มู้เพิ่มจะเป็นได้เวีอนกว่านะเพิเป็นได้เวีอนกว่าใช่ไหมอืมก็ช่วงช่วงที่พีสุดนี้ก็คือสิบหกวันมาเนี้ยยมโยมติดตามคณะแสวงบุญแล้วก็เอารถกันไปแล้วก็นอนในรถใช่ไหมเจ้าครับอืมอันนี้ก็วันหนึ่งม่ถี่ชั่วโมงถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่มัน อยู่สองวันกับแต่นี้จริงๆเราก็อยากฝึกดูตัวเองเหมือนกันว่าถ้าถ้าแบบผมกายกับจิตมันจะคลอดติดกันเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่แล้วเจ้าค่ะแค่หกวันแต่ก็เป็นของมันไปจิกมันก็โล่งใสเหมือนเดิมอแต่ถามว่าอยู่แบบโปรงโลง่งไม่พวกไม่แบกอะไรไว้กับตัวเองอีกรู้สึกไม่อิสระออื มันไม่มันไม่ได้เป็นนักโทษไม่มีไม่มีใครคอยคุมแล้วนะออกจากคุกแล้วนะแล้วโยมแป้วมีอะไรจะเสริมอีกหรือเปล่ายังไม่ถึงสองอาทิตย์เนี่ยยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะเป็นอ่ะประมาณประมาณเจ้าค่ะตำหานนั้นเจ้าค่ะมันอ่ะก็ก็ยังไม่มีอะไรนะเจ้าค่ะก็ดูการทํางานของขันห้าไปเจ้าค่ะอืมอืมอืดูเข้าทํางานไปค่ะก็ไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วล่ะจริงๆแล้วก็เข้าใจแล้วว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอืม กันหน้าก็ทำงานเองตามธรรมชาติไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของอะไรได้หรอกอืมนะอืมเพราะแค่นั้นเองค่ะอ่าใครใครไปเป็นเจ้าของอะไรกับชุกเมื่อนั้นหรอกเพราะมันมีเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของมันไม่มีใครทุกอย่างนี้นนะอ่า อ, อ่าจริงค่ะจริงค่ะเอ่าอ่จริงค่ะ